ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้การปฏิบัติอบรมจิตตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเป็นส่วนของจิตศิรษหรือส่วนของสมาธิซึ่งหมายความว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้ว บุคคลจะต้องผ่านขั้นตอนของศีลซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นมาก่อนศีลนั้นจะเป็นฐานรองรับความสงบในด้านจิตใจพอได้งดเว้นการประพฤติการกระทําที่จะนําความเราเร้อนรรนใจให้บงังเกิดขึ้นได้เป็นนั้นมากตามองค์ของศีลนั้ น, น, น ยหลักการปฏิบัติในชั้นนี้ท่านสรุปรวมเรียกว่าสมถกรรมฐานแต่ว่าการงานที่บุคคลจะพึงทำทางใจเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจเราจะตั้งปัญหาถามว่าสงบจากอะไรแล้วตอบว่าสงบจากกิเลสประเภทที่กั้นใจคน ซึ่งอาจจะเรียกว่านิวรณ์บ้างอาจจะเรียกว่าสนิมใจบัางอาจจะเรียกว่ามวลทินใจอาจจะเรียกว่าทุลีที่เกิดขึ้นภายในใจการที่พระพุทธเจ้าทรงนำถ้อยคำที่เรียกสิ่งซึ่ ง, งเป็นรูปรธรรมมาเรียกสิ่งที่เป็นนามรธรรมนั้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้หาความเข้าใจในแง่โทษ ของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจนบุคคลที่มองเห็นโทษของสนิมซึ่งเกิดขึ้นแต่เหล็กก็จะเห็นได้ไปจัดแจ้งแก่ใจของตนว่าเหล็กนี้ถ้าปล่อยให้สนิมแก่กัดไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะหมดสภาพของเหล็กจิตใจของบุคคลที่ปล่อยให้สนิมใจกัดกร่อนอยู่เสมอโไปมีการขัดถู ในที่สุดก็จะเสียสภาพของจิตกลายเป็นจิตที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสประเภทต่างๆอาการที่แสดงออกมาทางกายทางวจจาเป็นต้นก็จะเป็นโทษทุจริตไปหรือแม้แต่ทรงสอนอุปมาในในยะอื่นเช่นว่ลละอองทุลีฝุ่นเอือกต้มเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้น ข้อนี้เป็นสื่อที่ให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเพราะว่าตามปกติแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมายากต่อการทำความเข้าใจในเบื้องต้นดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องอาศัยรูปธรรมภายนอกเข้าช่วยรูปธรรมเหล่านั้นบุคคลจะต้องคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็มองกลับไปหาสิ่งที่เป็นมลทินใจ หรือสิ่งที่เป็นสนิมใจว่าเป็นเรื่องที่จะต้องขัดเกลา่าเป็นเรื่องที่จะต้องปัดกวาดเป็นเรื่องที่จะต้องชำระล้างให้ออกไปจากใจเพ ร, ะพระาะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดอาการหมักหมมขึ้นภายในใจเช่นเดียวกับสนิมทุรีละ อ, องละมณทินต่างๆ ท, ท, ท, ที่เกิดในภาชนะสิ่งของเป็นต้นในวัฏฏธรรมธาห้าประการนั้น อันที่จริงแล้วเป็นการแก้ปัญหาต่อเนื่องมาจากขั้นของศีลเพราะในแง่ของพระพุทธศาสนาพระเจ้าทรงสรุปไอสิ่งที่ทำความคุณมัวเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลว่าจะออกมาในรูปของทุจริตคือการประพฤติผิดทางกายทางวา จ, จาหรือแม้แต่ความคิดในทางที่ผิดก็ตาม สรุปรวมเป็นสายของความคิดสามสายสายแรกเรียกว่าโลภะซึ่งก็กระจายตัวเองออกไปในลักษณะต่างๆแต่สรุปว่าเป็นความรู้สึกที่มุ่งมา่ปรารถนาพอใจยินดีเพลิดเพลินเรื่องหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องนั้นๆซึ่งบางครั้งก็รุนแรง จนออกมาในรูปของการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นสร้างปัญหาเกิดขึ้นแก่นตนเองและสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ผู้เจ้าพระสงบัญญยัดเป็นรูปของศีลขึ้นไว้เพรศีลแต่ละข้อจึงเรียกว่าสิกขาบทแปลว่าแต่ละก้าวของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความคิดเหตผลของบุคคลขึ้นไปโดยลาดับในชั้นแรกก็ให้ยอมรับสิทธิในชีวิตของบุคคลให้ได้เสียก่อน เพราะถ้าไม่ยอมรับสิทธิในร่างกายในชีวิตของบุคคลแล้วเรื่องอื่นก็เลิกพูดกันก็ขออย่าให้ฆ่าอย่าให้เบียดเบียนกันในส่วนร่างกายและในตอนต่อมาเมื่อเหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็ให้ใจยอมรับในสิทธิทางทรัพย์สินต่อจากนั้นก็ให้ยอมรับในเรื่องคู่ครองให้ยอมรับในเรื่องผลประโยชน์ให้ยอมรับในเรื่องโทษของ สิ่งที่ทำให้มึนเมาต่างๆจะมีการบ่อนทำลายสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคลในชั้นของศีลจึงถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ปิดกั้นกิเลสประเภทซึ่งมารีใช้คำว่าวิติกรมะคือทลักษณ์ล้นออกมาข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันใจของบุคคลก็หาได้ชื่อว่าสงบลงไปไม บางครั้งบางคราวความรู้สึกในทํานองกระสันอยากในร่มต่งตางๆก็เดีหรือความขับแค้นไม่พอใจอึดัดขัดข้องจนถึงอ า, าการพยาบาทจองลังจองผ่านไปต้นและความหลงไม่เข้าใจในเหตุผลต่งตางๆอาจจะออกมาในรูปธรมธรมดารรมดาเช่นอาการฟุ้งสั้นเรือร้อยของใจที่สายไปในร่มตา่างๆรู้สึกชาเย็น รู้สึกเยรู้สึกเหงารู้สึกโศกเศร้าหรือซึมเศร้ารู้หดหูใจเป็นต้นซึ่งก็เป็นอาการทางใจเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขพระเจ้าจึงทรงแสดงในส่วนของสมถกรรมฐานไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้สมถกรรมฐานจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิสสารคือการเพ่งอารมณ์ การเดินคุณในลักษณะของจิตที่มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติธรรมดาแกนั่นเองแต่ก็เวียงมาใช้ในจุดที่จะให้เกิดความสงบตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบหรือไม่สงบมันก็ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจ ตัวการใหญ่จริงๆจึงอยู่ที่ตากับที่หูเป็นประการสําคัญตัวตากับหูนั้นเห็นได้ไกลได้ได้ยินได้ไกลแล้ปัญหามักจะเกิดขึ้นมาทางตากระทางหูเป็นเบื้องตน้นจะเกิดความรักความชังก็จะพบว่าคือมาจากตาจากหูก่อนจึงจะออกเป็นรูปของลิ้นของการสูดดมแลอของการจับต้อง คือหมายความเห็นด้วยตาแล้วก็อยากกินได้ยินด้วยเสียงก็ยกย่องสรรเสริญก็อยากเกรีลิ้มอยากจะลี่ยสุดดมอยากจะจับต้องเปต้นเราดูว่าเรื่องตากับหูจึงกลายเป็นพาหะคือ น, นำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่จมูกลิ้นกายของบุคคลในสุดก็เก็บไว้ภายในใจตาของคนจึงอยากดูอยากฟังตาของคนจึงอยากดูหูของคนจึงอยากฟัง จริงไงตัวอยากนั้นไม่ได้ตาอยากหรือหูอยากแต่ใจมันอยากดังนั้นการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็อาศาัยคุณสมบัติตั้งเดิมของจิตคือความอยากดูกับความอยากฝังแต่ก็แปลอารมณ์เกิดแทนที่จะให้ไปดูอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความกับหนัดเกิดความกัดเครื่องเกิดความรุ่มหลงเกิดควา ม, มวหมอบเมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดกำหนัดกับกัดเครืองเป็นอารมณ์ที่มีปัญหามากซึ่งเราใช้คําว่ารักชัง พุทจ้ทรงใช้คําว่าหน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนาบางครั้งก็ใช้อีกคําอีกคู่หนึ่งว่าก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัสคือเกิดความโลภจากได้กความครอบครองความไม่พอใจถึงถือว่าเมื่อเกิดขึ้นภายในใจแล้วเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงให้เกิดขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลแต่ถ้าเรามองสังเกตเราสังเกตดูจะพบว่าตัวการใหญ่จริงๆนั้นก็คือเห็นก่อนได้ฟังก่อน เป็นการโฆษณาสิ่งของต่างๆนั้นเราเห็นด้วยตาบ้างได้ยินด้วยหูบ้างแต่ถ้าจริงเรายังไม่ได้สูดดมโดยจมูกหรือลิ้มด้วยลิ้นหรื อ, ร อ, รอถูกต้องในกายแต่เราการรับรู้โดยประสาทสัมผัสสองประการข้างต้นมาก่อนใจก็นําสิ่งเหล่านั้นมาปรุงมาคิดไปยอมรับเงื่อนไขต่างๆถึงความสวยงามหรือความไม่สวยงามเป็นต้นของสิ่งเหล่านั้นและต่อจากนั้นจึงออกมาในรูปของการสูดดมการลิ้มหรือการจับต้องสิ่งเหล่านั้น ถ้ากำหนดไปในแนวน่าคร่น่าปรารถนาน้าพอใจแต่ด้ใจปฏิเสธสิ่งที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสสองประการคือตากละหูเสียได้ก็ไม่มาถึงจมูกลิ้นกายเพราะอะไรเพราะว่าใจจะปฏิเสธไม่ยินดีที่จะสูดดมไม่ยินดีที่จะลิ้มไม่ยินดีที่จะจับต้องจริ่งเหล่านั้นแต่ความรู้สึกเหล่านั้นที่จริงมันก็เป็นกิเลสอีกสายหนึ่งคือสายโทสะเหมือนกัน ตกลงก็เบี่ยงไปเบียงมาอยู่ระหว่างใครโลภะกับสายโทสัต์วิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสแสดงโดยสายตากับหูเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ตาเป็นหลักแต่บางทีก็ใช้หูคือสรุป ก, ก็ใช้สองอย่างไปก่อนเป็นการตั้งสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งหลายเรียกว่า อารมณ์ของกรรมฐานคือตามปกติพึงสังเกตว่าอารมณ์ที่เราพบเห็นกันทางตาอูจมุกดินกายนั้นก็เป็นอารมณ์ที่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายแต่ถ้าลองสังเกต ด, ดูก็จะพบว่าในารมอย่างเดียวกันนั่นเองคนที่เห็นในขณะเดียวกันจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันคืบางคนก็เฉยๆบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะฉัง แต่ในความชอบนั้นชอบมากชอบน้อยก็ลดหลั่นกันขึ้นไปไอ้ชังก็มีชังมากชังน้อยก็ลดหลั่นกันขึ้นไปอีกในลักษณะเฉยๆก็ จ, จะเฉยอย่างอย่างจริงๆคือไม่ใส่ใจจริงๆเ ร, รืออาจจะเฉยเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมีการกระตุน้นก็อาจจะเกิดความชอบหรือความชังขึ้นมาก็ได้ ท่านยังสรุปรวมอารมณ์ประเภทที่จะขอให้เกิดความขุดมัวเศร้าหมองขึ้นภายในใจว่าขอให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหมัวเมาเพจะขอให้เกิดในสีทานด้วยกันแตะทานี้จึงสอนให้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันคือระมัดระวังใจเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ก็ อ, อย่าให้ใจไปกำหนัดมากเกินไปอย่าขัดเคืองอย่าลุ่มหลงอย้า ห, ห ม, วมัวเมา เป็นการระวังใจเอาไว้ในแต่ละวันตัวนี้ไม่ถึงก็เป็นสมถกรรมาฐานแต่วสติเป็นตัวกากับเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่ถอารมณ์ออกมาในลักษณะนั้นก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้จะเป็นการยุติความรุนแรงภายในเอาไว้ก็ใกล้ๆกับว่ามันมีเชื้อโรคอยู่แล้วก็ไม่รับเชื้อโรคมาจากข้างนอกเพิ่ม มาแก้ปัญหาเฉพาะเชื้อโรคที่อยู่ในภายในก็คงไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะักแต่ที่ยุ่งก็คือว่าไอ้เชื้อโรคภายนอกมันก็เข้ามาได้เรื่อย เ, อเอชื้อโรคภายในก็บําบัดไม่หายสักทีหนึ่งแล้วในที่สุดก็กลายเป็นโรคเรื้อรังถึงยากต่อการที่จะเยียวยารักษาจิตใจของบุคคลกับร่างกายก็มีลักษณะอย่างนั้ น, นหมายความว่าถรับอารมณ์ที่ก่อเกิดความกําหนัดเกิดเครืองรุ่มหลงมัวเมาขึ้นมา แต่ภายในใจคนมันก็มีความกับหนักกระเทือนรุ่งหงมเมาอยู่แล้วมันก็กลายเป็นการบวกกันสองสองอย่างในสุดใจก็จะไม่เกิดความสงบแต่เนื่องจากในฝ่ายที่ดีมันก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันดังนั้นพูเจ้าก็สอนให้บุคคลตั้งสติกำหนดดูอารมณ์เราคงใช้ตามเหมือนเดิม ใช้หูเหมือนเดิมจ่สนใจเพิ่งสังเกตว่าจะใช้ตาและบางอย่างก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยคือใช้ใจอย่างเดียวเโดยให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่เรื่องเหล่านแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบนั้นจะต้องห่างไกลต่อลักษณะอารมณ์ดังกล่าวคือต้องไม่ชวนให้เกิดให้ใหกล้ต่อความกําหนัด อารมณ์จะต้องไม่ใกลตกใต้ต่อความกำหนัดใกล้ต่อความขัดเคืองใกล้ต่อความรูปหลงแลใกล้ต่อความบ่มเบามือโดยเฉพาะกำหนัดกับขัดเคืองซึ่งถือว่าเป็นอารมณ์ที่ใหญ่มากขณะอารมณ์ที่สอนให้กำหนดระลึกจึงเป็นเรื่องกลางๆกับเรื่องที่เป็นกุศลถ้าบุคคลใดที่มีสติปัญญามากพอหรือไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความกำหนัดออกไปได้จิตใจหนาเตะไปด้วยเรื่องแบบนี้ มันก็ต้องว่ากันอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าจุดเุ่งหมายก็คล้ายๆกับว่าสนิมมันหนาก็ต้องใช้วิธีถูแรงๆกันหน่อแต่สนิมไม่หนาก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่จําเป็นจะต้องแบ่งอะไรก็สามารถที่จะขัดสนิมออกไปจากใจจากจากเหล็กหรือจากภาชนะเหล่านั้นได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแด่การปฏิบัติในเชิงของการปฏิบัติ เรามักเน้นไปที่อนาปาณสติกรรมฐานแต่ในเชิงของหลักการแล้วอุจจารประสงค์แสดงไว้มากด้วยเป็นการเสนอแนะให้เลือกที่เรียกว่าอารมณ์อะไรเป็นที่สบายสำหรับบุคคลนั้นก็ให้เลือกปฏิบัติกรรมฐานเหล่านั้น เป็นตำนองใกล้ยๆกับกวางยาเคลังเนื้อชอบหลังจาคนหนึ่งอาจจะถูกคนจริตคนหนึ่งอาจจะไม่ถูกคนหนึ่งรับประทานแล้วหายคนหนึ่งอาจจะไม่หายมันก็เสนอให้เลือกไปหลายๆายวิธีแต่การที่เรามาเริ่มต้นที่อาณาปานสติเป็นพื้นนั้นหเหตุผลก็หลายประการได้กันประการแรกคืออาจารย์ผู้สอนไม่ได้มือระดับพระพุทธเจ้าพระจารย์นั้นท่านรู้ว่าจะสอนใครสอนอย่างไรแล้วก็สอนวิธีไหน บางครั้งแมอารมณ์งกรรมฐานสมถะกรรมฐานมีอยู่เพียงสี่สิบอารมณ์รู้วิปัสสนาก็มีอยู่เพียงเจ็ดสิบสองอารมณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนคนเป็นร้อยๆโดยใช้วิธีที่แตกต่างกันจึงหมายความว่าวิธีเดียวนั้นเองแต่ก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงถึงหลักการทำให้เกิดความสงบให้สอดคล้องเหมาะสมแก่จิตของบุคคลผู้นั้นพอมาถึงอาจารย์ในยุคหลังเราไม่มีญาณขนาดนั้น แล้วก็มองแนวทางที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ว่าอาณาปานสติกรรมฐานนั้นนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับจริตของคนจะเป็นจริตอะไรก็ตามโดยตามปกติก็จะแนแกจริตเอาไว้บางแห่งก็กําหนดไว้หกบางแห่งก็จําแนกไว้เป็นสี่แต่ยังไงก็ตามหมายความว่าพื้นจริตของบุคคลที่หนักไปในเรื่องอะไรคือตรึกนึกไปในเรื่องอะไรมาก และกริยาการที่แสดงออกมามีความโน้มเอียงไปในทางใดมากท่านก็ถือว่าคนนั้นจะดิตเหล่านั้นจะมองในด้านการทําใจสงบแล้วการที่จิตหนักไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามแสดงว่าเป็นเรื่องของความฟุ้งไปในสายนั้นๆอาจจะฟุ้งไปในสายรักอาจจะฟุ้งไปในสายชาง่งอาจจะฟุ้งไปในสายศรัทธาอาจจะฟุ้งไปในสายกา ร, การใช้เหตุผลอาจจะฟุ้งไปในลักษณะ ท, ที่หมุนปน ไม่มีทิศทางอะไรแน่นอนหรืออาจจะฟุ้งไปลักษณะอึมครึมหรือไม่รู้อะไรเป็นอะไรเป็นต้นอนาปาณสติจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จะบิดทั้งหลายเพราะว่าต้องการจะคุมความคิดของบุคคลให้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่โดยหลักที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั้นจริงๆก็ทรงแสดงวิธีเดียว แล้วต่อมาในตอนหลังคนอาจจะมีสติปัญญาสูงขึ้นในด้านอื่นแต่ด้านความสงบอาจจะหย่อนลงมากประจานายุคหลังเมื่อปฏิบัติตามสายนั้นจริงๆท่านก็เอาไม่อยู่เหมือนกันกระจายพันดิ้นแรงท่านจึงพยายามหาวิธีการหาวิธีเหล่านี้เพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายก็คล้ายๆกับเด็กก็ขึ้นบันไดสูงได้ผู้ผู้ใหญ่ขึ้นบันไดสูงได้เพราะขายาวแต่พอเด็กจะขึ้นแก่ขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้กหยิบอะไรมารองเอาไว้เพื่อจะขึ้นไปในบันไดที่ผู้ใหญ่ท่านขึ้นเอซึ่งสิ่งที่ทาํามารองนํามารองนั้นมันก็เหมาะสมสำหรับเด็กเพราะผู้ใหญ่ก็ก้าวผ่านไปได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเหยียบสิ่งที่เด็กนํามารองเอาไว้เพราะงั้นอารมณ์ความกรรมฐานต่างๆที่ท่านแสดงไว้โดยนัยนั้นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือถ้าเราจะทําได้ตามแนวที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้มันก็ทําอย่างนั้นเลย แต่จะทำไม่ได้ก็ใสยหมอนรองเหยียบขึ้นไปก่อนก็ได้โดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเพราะลักษณะของสมถะกรรมัมอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงจริงๆในพระไตรปิฎกแล้วก็ทุกคนทุกแห่งเหมือนกันทุกคำไม่ว่าจะสแสดงในที่ใดกันตามในช่วงแรกก็ทรงสอนให้นั่งคูปันลังตั้งกายตรงดบรงสติไว้เฉพาะหน้าแต่ตั้งสติระ ล, ลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าเลยลมหายใจออก นี้ก็คือเป็นรูปแบบที่กําหนดเอาไว้สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในชั้นนี้แต่เมื่อลมหายใจเข้าออกจะยาวหรือสั้นก็ตามแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคือไม่ต้องไปเร่งลมไม่ต้องไปคุมลมอะไรแกเป็นการมองตามธรรมชาติธรรมดาเราหายใจเข้ายาวก็ได้สั้นก็ได้ก็แล้วแต่มาขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของคนหรือปกติของคน ใ้ความหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็ให้รู้โดยลักษณะนั้นจึงกหมายความว่าก็ให้ตั้งสติระลึกตามลมไปให้ใจแนบแนบส ง, งบอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าทำได้ในชั้นนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับเรื่องเราอื่นเพราะเป็นวิธีตรงที่ทรงแสดงเอาไว้ แต่ถ้ามาบุคคลที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามขึ้นไปถึงชั้นนี้ได้เขาก็อาจจะอาศัยวิธีเราอื่นวิธีเราอื่นจึงเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นอุปการะคือเป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนท่านั้นในเชิงของผลจริงๆแล้วใจของคนก็สงบไม่ได้แล้วเพราะยังไงยังไงก็ใจยังเล่นอยู่ ไปในอารมณ์ต่างๆแต่ก็ส ง, งบจากอารมณ์กว่าอารมณ์ปกติที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นอาจารย์บางท่านอาจจะสอนให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดต่างๆของร่างกายถึงสิบสองจุดก็มีถึงเจ็ดจุดก็มีหรือบางท่านก็สอนในแนวของสัมปชัญญะปภะเอให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ตัวของตัวเองอาจจะระลึกให้ตั้งสติระลึกตามไปจาก ศีรษะลงมาแล้วก็วิ่งไล่ไปตามลงมาตามบาตตามไหลก็คล้ายๆกับการเขียนภาพคือียภาพมาวางไว้เดียวก็ลากเส้นไปตามไอรูปแบบภาพเหล่านั้นการตั้งสติระลึกในอารมณ์ตอนฝึกใหม่ๆก็มีลักษณะอย่างนั้น okay, บางทีท่านก็สอนในแนวนั้นแต่ว่าแนวหนึ่งที่ท่านสอนเอาไว้เฉพาะเป็นเนขอนรองเหยียบก้าวขึ้นไปสู่หลักที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ ท่านบอกว่าคณะนาเคยเริ่มที่การนับแในแก่การหัดนับนับลมหายใจเข้าออกถึงในปัจจุบันนี้เราถอยหลังลงมาจนถึงการนับลมหายใจเข้าออกก็ไม่ค่อยไหวแล้วมันก็ต้องนับรูปประคำกันก่อนแต่ ถ, ถ้าใครสามารถนับลมหายใจเข้าออกได้และใจสงบไม่เผลอเร่อในขณะที่นับมันก็เดินจะจุดนี้ก่อนได้จะตีต่ตางว่าเกิด จุดนี้ไม่ได้อาจจะลงไปนับพรกประคำมาก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะจุดใหญ่ใจความก็อยู่ที่ว่าทำโดยวิธีใดก็ตามที่ช่วยให้ใจของบุคคลส ง, งบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการได้การปฏิบัติเช่นนั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานเพราะในเชิงรูปแบบจึงมีความหลากหลายในตัวรูปแบบแต่ในเชิงผล คือใจที่สงบจากนิวรธรรมทั้งห้าได้จะใช้วิธีอะไรก็ตามถ้าผลออกมาเช่นนั้นก็ถือว่าใช้ได้ต่นั้นในชั้นเบื้องต้นก็อาจจะใช้วิธีนับตอนแรกก็อาจจะนับวิ่งไปเลยเป็นถึงร้อยถึงพันไปก็ได้ในช่วงที่สองก็นับเป็นชุดๆคือหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าหนึ่งถึงหกกไปจนถึงหนึ่งถึงสิบ0ก็นับเป็นชุด่างนี้ หาย ใ, ใจเข้าว่าพูดหาย ใ, ใจออกว่โทเป็นต้นทุกแต่ละอย่างนั้นถือว่าไม่ได้ถึงกับส ง, งบทีเดียวแต่ว่าส ง, งบเพิ่มขึ้นจากอารมณ์ปกติเพราะอะไรเพราะาจิตมันก็วิ่งอยู่กับการนับแต่ก็วิ่งไปไกลไม่ได้ไกลเหมือนอารมณ์ปกติเพราะอารมณ์ปกติเราอาจจะวิ่งไปไกลต่างประเทศต่างจังหวัดไปเลยหายไปบ้านอะ้รก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็วิ่งอยู่ที่การนับ วิ่งอยู่ที่พุโทโธหรือวิ่งอยู่ที่ในอารมณ์เราอื่นหรือวิ่งตามลงไปนี่เขาเรียกว่าในชั้นของคขน า, นาคือการนำจะบางครั้งเราก็ถ้าเดินไปถึงจุดดังกล่าวได้ก็กำหนดตามไปเพราะฉะนั้นในเชินก็การปฏิบัติแล้วถ้าจะเอาอนาปานสติมันก็มีวิธีเท่านี้ในตอนตน้นท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่ร่มประพวธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี